เสริมให้สมบูรณ์จะไม่ขึ้นพระอาจารย์ก็กับนมันสการพระอาจารย์ธรรมทุกท่านนะคะ เ, เรื่องเรื่องการปฏิบัติเนี่ยค่ะจริงๆโยมจะข้องใจอยู่เรื่องหนึ่งแต่ก็ไม่กล้าถามไม่กล้าถามเพราะว่าเรื่องการยกมือสิบสี่จังหวะที่ถูกต้องนะคะครั้งแรกโยมก็จะยกเหมือนก็ทั่วๆไปก็คือไปเรื่อยๆวันนึงก็มีพระองค์หนึ่งมาแก้ให้บอกว่า ถ้าจะเป็นของหลวงพ่อเทียนนะคะโยมจะต้องทําให้ถูกสิบสี่จังหวะเพราะว่าหลวงพ่อเทียนถ้าให้ดูในในในซีดีใชมถ้านโยมเนี่ยเพลง ก, ก็รู้สึกนิดนึงหยุดขึ้นมาก็ต้องหยุดนิดนึงในการหยุดเนี่ยเพื่อรู้สึกแล้วก็คือทุกจุดของท่านน่ยถ้าดูตอนที่ท่านยกให้ดูตัวอย่างใช่ไหมฮะถ้าได้ดูในหนังเนี่ยมันต้องชัดเจนโยมก็เลยถามพระว่า สำคัญขนาดนั้นเลยหรือคะแค่จังหวะทีละจังหวะทีละจังหวะเนี่ยสาคัญมากพระก็บอกว่าเชื่อไม้ทาไม่ถูกเนี่ยหลงเวลาหลงไปเนี่ยสามปีก็ยังไม่ได้การรู้สึกตัวที่ชัดที่ใช่มันจะหลุดนะที่ทำอย่างเงี้ยมันหลุดมันทีนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าโยงก็เห็นพระหลายๆองค์อะ่ะไม่ได้ยกอย่างหลวงพ่อเทียนแต่ครั้งเนี้ยมาดูใน ที่หลวงพ่อเทียนสอบเราจะเห็นว่าทุกคนยกเหมือนหลวงพ่อเทียนหมดใช่ไหมคะ ท, ที่ท่านเดินไปตามบ้านทุกคนจะนอย่างนี้จริงๆในสมัยที่หลวงพ่อเทียนอยู่จะชัดเจนมากในการในการยกน่ะคะพระอาจารย์เพราะนั้นก็บอกว่าเดินก็เหมือนกันโยมเดินไม่ถูกโยมก็เดินไปเรื่อยๆให้ก็บอกเโิมมันหยุดตายนิดหนึง่งหยุดทําไมหยุดเพื่อให้รู้สึกตัวไม่ไงั้นเราจะเดินไปเรื่อยเราจะแต่จังหวะที่ได้หยุดนิดหนึง่งตายแต่เนี่ย อ๋อมันจะช่วยให้การรู้สึกตัวเนี่ยชัดเจนอโยมก็ทำตั้งแต่นั้นมาจากเจ็ดวันเนี้ยค่ะโยมได้เห็นจุดหนึ่งที่ว่าโอ้ความรู้สึกตัวจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสามระดับเหมือนกันนะมันมีหยาบมีกลางมีละเอียดจริงๆเพราะพระอาจารย์ให้ดูคือเพราะพระอาจารย์ชอบพูดให้ชัดเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดว่ามันชัดยังไงแต่เมื่อวานอาจารย์ใช้คําว่าให้ละเอียดอ๋ออันนี้มันเหมือนกับชัดเจนกับคําว่า ชัดเจนนะต้องต้องดูมันอย่างละเอียดใช่ไหมเนี่ยที่มาเจ็ดเจ็ดวันนี้คือโอ้การเดินที่คือก็นั่งดูคนอื่นเดินแต่ก็ไม่กล้าพูดเนาะเพราะว่าแต่และคนเขาก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เขาทําแต่นี้ก็เลยขาดใจมาเรื่อยๆ เ, เหมือนเห็นพระก็ไม่ไม่ยกเหมือนหลวงพ่อเทียนโยมก็เลยไม่แน่ใจว่าในจริงๆ อย่างพระอาจารย์ยมเข้าใจว่าพระอาจารย์เนี่ยความรู้สึกตัวพระอาจารย์มีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ทําท่าไหนก็ได้เพราะพระอาจารย์รู้สึกตัวชัดเจนจากต้องอะไรพฤติกรรมที่แสดงออกของพระอาจารย์เนี่ยชัดเจนมากว่าท่านมีสติตลอดจริงๆแต่ทีนี้โยมก็เลยว่าเออแล้วทำไมทไมําไมพระาถึงไม่สอนให้คนยกยกให้ถูกอะ่ะประการแรกเลยอะคะ่ะพระอาจารย์แล้วแล้วจริงไหมแต่ว่าโยมตอนนี้เริ่มเชื่อแล้วว่าจริงเพราะว่า โยมมาเห็นแล้วล่ะ ว, ว่าความรู้สึกมีหยากกลางละเอียดแล้วแต่ถ้าเราทําเหมือนกับไม่ละเอียดตั้งแต่แรกอะ่ะจะไปดูละเอียดเนี่ยยากไหมคะได้จากประสบการณ์เมื่อวานว่าอืมถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้าอย่างนี้อย่างเนี้ยเขาน่าจะเห็นได้ได้ยามันก็รู้สึกนะคะแต่มันมันหลุดแน่นอนจะมาทําเนี่ยมันไม่มีจังหวะที่จะหลังเราให้หยุดให้หยุดให้หยุดตามจังหวะของหลวงพ่อเทียน แล้วยิ่งมาดูในในหนังที่ท่านเดินสอบทุกคนเลยชัดมากทุกคนทำไปเลยตอนที่อ่าเผาหลงพระเทียนที่ตอนนั้นชัดมากนั่งดูคนสมัยก่อนที่เขาทำเขาชัดทุกคนเลยนะคะถ้ า, ถ, าถ้าดูถ้าสังเกตดูโยมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจำเป็นจริงๆไหมคะพระอาจารย์ในการยกยกให้ครบสิบสี่จังหวะที่ชัด